ชาตังภูตังสมุปป น, นังกตังสังกตะมะทุวังเจรามรณะสังกตังโรคะนิทังปะพังกุนังธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนเละคนแล้วด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรค ภูพังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดไม่กวรเพื่อยินดีธรรมชาตินั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอันระงับจะคาดคะเนเอาไม่ได้ยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมไม่มีความโศปราศจากุลีความดับแห่งทุกขธรรมทั้งหลาย คือความที่สังขารสงบระงับเป็นสุขในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นก็ให้มาทำสมาธิกันในทุกบุญการเป็นช่วงของจิตตะวิเวกเรามาทำจิตคอร์ให้มีความวิเวกหรีกเร้น ให้มีความสงบระงับให้มีความเย็นให้มีความสุขอยู่ในภายในเริ่มต้นด้วยการตั้งสติขึ้นตัมบวฟังวันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะเราจะมาไพร่ครวญบทแห่งธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอาชาตสู คืการไม่เกิดดีเราจะเริ่มต้นการไกรกรวนธรรมะโก็โดยการที่มานึกถึงธรรมะนั่นเองเรือไม่ต้องไปจําคําลึกซึ้งคําบาลีอะไรต่างๆมากมายเอาแค่คําว่าธรรมโมให้เรามานึกถึงคําว่าธรรมโมซึ่งย่อดมาจากสวากขาตธรรมโมคือธรรมะอันประผู้มีประปา ประกาศไว้ดีแล้วดียังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้จําคําแค่ว่าทำโมไว้ก่อนแทนที่จะให้จิตกเราไปคิดนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นคิดถึงเรื่องคนอื่นคิดถึงเรื่องอดีตนาโคคิดถึงเรื่องที่นั่นที่นี่ที่โ น, น้นให้จิโกเรานั้นเป็นเหมือนมีสมอไว้มีเสาวไว้ เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคําว่าทำโมให้ท่องไว้เลยท่องคําว่าทำโมทำโมธทำโมเอาไว้ในใจทำโมนะย่อ ม, มาจากสวากาตรรำโมเหมือนพุทโธนี่แหละก็ย่อ ม, มาจากรหันตะสัมมาสัมพุทโธหรือว่าสังโคก็ย่อ ม, มาจากสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะสังโค ในที่นี้เราทำโมทำโมทำโมทำโมทั้งคิดนึกปรุงแต่งคำนี้เอาไว้ในใจการปรุงแต่งอะไรนะทุกผู้ฟังนะที่เราทำขึ้นนี่แล้ถ้ามันเป็นไปเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้พร้อมการปรุงแต่งนั้นดีนะ อยไปเมาเอารวมว่าเอ้ยนี่ปรุงแตง่งนี่เป็นความคิดเพราะความคิดเรื่องดีๆทําไมจะไม่ดีก็าการปรุงแต่งเรื่องที่มันถูกต้องทําไมจะไม่ได้ดีสิได้สิเพราะว่าแม้แต่องค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างก็ เ, เป็นเรื่องของการปรุงแตง่งอีเลยก็เป็นการปรุงแตง่งแต่ปรุงแตง่งไปในทางที่มันไม่ประเสริฐ ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ก็เป็นการปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งเป็นในทางที่ประเสริฐท่านจะบอกมันเป็นทางไงทางมันก็มีหลายทิศมันก็ไปสู่หลายที่ได้แต่ที่ที่จะไปนิพพานมีทางเดียวทางอันเอกอันเดียวหนึ่งคือธรรมโมอย่างอื่นที่จะไปนรกมีข้อบฏิบัติของผู้ที่จะไปนรกนั้นไม่ยากมีหข้อก็ปิดสหน้าไง จะ ไ, ไปนรกแน่นอนทาบ่อยๆข้อปฏิบัติของผู้ที่จะไปพรหมก็มีมีสข้อไงเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาแล้วทำบ่อยๆก็ได้ไปเป็นพรหมข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเป็นเศรษฐีก็มีการให้ทานในสา ม, มาราการให้ทานในสมลักษณะให้ไปเลยแล้วมันก็เป็นเศรษฐีได้คือว่าทางที่เราเลือกเดินเราทางไหน ตอนนี้เราเลือกทางธรรมะหมายถึงทางที่เราจะตั้งสติขึ้นโดยการมานึกถึงคำว่าธรรมโมธรรมโมธรรมโมในขณะที่เราคิดนึกถึงธรรมะธรรมโมนี้เราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราจะรู้ลมด้วยได้ไหมหรือจะหายใจเข้าทำหายใจออกโมหายใจออกโมหายใจเข้ามะ มะหรือโมหรือทำไม่ต้องกังวลใจดูฝันมันไม่ได้เกี่ยวกันจะให้มันเกี่ยวกันมันก็เกี่ยวกันได้แต่เกี่ยวกันแล้วมันจะกังวลใจไม่ต้องเพราะมันคนละอย่างกันอาณาปานาสติคือใช้ลมไม่ใช้เป็นเครื่องมือเราก็ใช้ใช้ได้ราเรื่ออื่นๆเราก็ฝึกกันมาคราวนี้เราใช้ธรรมานุสติเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือก็เริ่มจากบทว่าธรรมโม ก็ได้เหมือนกันท่านจึงบอกว่านิพพานนี่นะที่มีทางไปสู่ทางเดียวคือมรแปดเนี่ยนะองค์ประกอบบริสริฐ8อย่างรวมกันเนี่เป็นทางที่สามารถปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบถ้าเป็นทางเดียวเราเป็นรับๆกันแน่เออนั่นดิสามารถที่จะปฏิบัติจากต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํามันก็ตามทางสายเส้นกันมา นี่ก็คือความงดงามขององค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างนี้จะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติก็มาปฏิบัติตามทางนี้ได้เหมือนกันหลกงพ่อโตนะพูดดิบอว่าเซียนแล้วอะทำมานานแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญาณแล้วท่านพระสารีบุตรบรรลุพระอรรณ์แล้วแม้แต่สาวกองค์สุดท้ายในสมัยพุทธกาลนั้นคือท่านสุภะ บรรลุนิพานนีก็เนี่ยตามทางนี้เหมือนกันองค์ประกอบปรรสริแปอย่างเหมือนกันจะเสียนระดับไหนจะเบบีปานใดก็ปฏิบัติตามทางเดียวกันนี้แหละตามหลังๆกันไปเข้าท้าต่อเแ้าเดินต่อกันไปมาได้โดยรอบจากทุกทิศทางจะบรรณอะไรก็ปฏิบัติได้จะเด็กกู้ใหญ่ก็ทำได้ จะนอนจะนั่งอิรีบทไหนก็สามารถทําได้จะผิวสีอะไรจะเพศไหนจะอาชีพอะไรทาได้หมดอะทำได้หม ด, ด, หมดนึกถึงก็ามาทมําโมเดิร์นหนึ่ง น, น, นึกถึงไหลวลมหายใจเนี่ยนะมันก็ธรรมชาติธรรมดาเราสังเกตเมื่อไร่สังเกตลมนี่ก็ชื่อว่าใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติใช่ไหมละ่ะ เรามาสังเกตธรรมโมที่เป็นคำพูดที่เราตั้งขึ้นไว้ในใจการมานึกถึงคำนี้ความรลกได้นี้นั่นแนหะก็คือสติไงเป็นสติที่เกิดจากการที่เราปรุงแต่งคาว่าธรรมโมเนี่ยขึ้นปรุงแต่งสติขึ้นการปรุงแต่งลักษณะที่ทำจากที่มันไม่มีให้มันมีเนี่ยมันคือการพัฒนาคือความเพียรที่เราใส่ลงไป เราระลึกถึงเรื่องอะไรได้มันก็เป็นสติความเพียรนั่งเป็นบายามะสติกับความเพียรมันก็จึงมาด้วยกันเลยในขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่สติความเพียรมาด้วยกันขณะที่เรานั่งอยู่ในปิดศีลไหมก็ฆ่าสัตว์หรือเปล่าอะไม่ได้ทำนะเจตนาก็อย่ให้มีอย่าตั้งเจตนาไว้ว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปฆ่าสัตว์เดี๋ยวฉันจะพูดโกหกไม่ๆๆให้ตั้งเจตนาไว้ตอนนี้เลยว่า ฉันก็จะไม่ข่าสัตว์ฉันก็จะไม่พูดโกหกฉันก็จะไม่ขโมยของศีลเรา ก, ก, เนะก็มีอยู่แล้วทันทีเลยนะศีลก็มีอยู่แล้วอาชีวะคือการดำเนินชีวิตก็นั่งอยู่เฉยๆอยู่ด้วยอริบที่เรากำลังจะตั้งสติได้อาชีวะนั้นก็บริสุ์แล้วมาอยู่แต่เดิมแล้วความคิดนึกอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะในขณะที่เราตั้งนึกถึงคำว่าธัมโม ทำโมทำโมไวเนี่นะความคิดเนี่ยมันมีได้หลากหลายที่เกิดขึ้นแทรกเข้ามานะตูฟังนะบางทีูฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่เนี่ยเปิดอยู่ด้วยเรื่องเล่นหรือว่าฟังจากวิทยุก็ตามก็้วเคข้างบากก็ทําเสียงนั้นหรือฟังอยู่ในขณะขับรถหรือฟังอยู่ในขณะเดินทางทํากิจกรรมบันดาอัหนึ่งมันก็มีเสียงอื่นแทรกใช่ไหมะละ่ะ เสียงอื่นแทร ก, ก็มีในขณะที่ก็ได้ยินเสียงกาบเจ้าใ น, ในขณะที่เสียงอื่นแทรเราไม่ได้ใส่ใจไปตามเสียงนั้นก็ได้ยินอยู่แต่ไม่ตามไปไงตัวเจ้อยู่กับเสียงนี้อย่างเดียวลักษณะเดียวกันในะทุกฝัง่งนะเวลาเรามีความคิดนึกอื่นๆใดๆแทรกมาเนี่ยเราไม่ลืมทำโมงไงเราไม่ลืมทำโมมีแทรกแน่นอนเหมือนเราเห็นภาพสามครั้งนึงนะ เระมองสิ่งในสิ่งหนึ่งอยู่นี่เช่นข้าพเจ้ากลังดูพระสูตรอยู่เนี่ยอ่านพระสูตรอยู่ดูตาเห็นอยู่เนี่ยใน p e r i p h e r a l vision คือขอบๆหนึ่งมันก็จะเห็นหน้าจอที่บันทึกเสียงด้วยจะเห็นหนังสือเป็นเล่มที่เราหยิบมาวางอ่านไว้อยู่ด้วยเห็นอย่างอื่นอยู่นะแต่ว่าจิตไม่ได้ส่งตางไปไงลักษณะเดียวกันนะทุกางนะ จะเป็นรูปผ่าน่างตารูกระต้องผ่านทางตาแอละชมาลามันก็รับรู้ได้หลายอย่างในตาที่เห็นภาพนั้นเห็นแสงนั้นเสียงที่ผ่านทางหูกับเสียงมันจะไปเข้าลิ้นได้ไงล่ะแต่ในขณะที่เสียงที่ผ่านมาทางหูเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะเสียงต่าเสียงสูงเสียงคนเสียงสัตว์เสียงร้องเสียงเล่นเสียงอ่านเสียงพูดมีหลายประเภทชินเดียวกันว่า ธรรมารมความคิดนึกสิ่งต่างๆที่เข้าสู่ใจมันก็มีหลายอย่างไงใช่ไหมละ่ะพร้อมๆเป็นมานี่ยที่บูดมานี่เพราะว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าโอ้ถ้าฉันทําสมาธินึกทาโมทำโมแล้วทุกอย่างต้องเงียบหมดต้องไม่มีความคิดเลยพอมีความคิดสะอันใดหนึ่งบอกโอ้ฉันฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านแล้วอย่าเข้าใจผิดแต่เข้าใจให้มันถูก ว่าในขณะที่เราทำสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ต้องคิดอะไรเลยมันก็มีเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจดจ่อเพ่งตั้งสติไว้อยู่กับอะไรในที่นี้เราบอกว่าเราเอาคำว่าทำโม่ที่กพระเช้ามาฝึกให้ธโมฟังทำหลายหลายอย่างนี่นะคือเพราะว่าให้เกิดความชำนาญในระหว่างมาหลายๆายอย่างนี่คือไม่ใช่ว่า ใน30สนาทีในห้านาทีน เ, าาา เ, เนี่ยเรามันสักสิบอย่างเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็เกินไปแตนี้ก็ว่าเอาชั่วโมงหนึ่งนะอ่านะชั่วโมงนึงเอาอย่างเดียวไม่ได้เอาหลายอย่างไงแต่เูาฟังที่ติดตามฟังในช่วงของจิตตวิเวกทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์จะเห็นว่าเออเด้อสัปดาห์นี้ท่านก็เอาเรื่องอานาปานสติสัปดาห์นี้ท่านก็เอาเรื่องพุทธานุสติอีกสัปดาห์หนึ่งเอาเรื่องศีลานุสติ วันนี้เราทํามานุสติไงก็มันปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบพระประะิจาของเราเป็นผู้ฉลาดสอนกระบวนการเทคนิควิธีคเครื่องมือให้ไว้หลายอย่างบางวันวันนี้เราก็เอาคเครื่องมือนี้มาใช้บางวันวันน้นเราก็เอาเครื่องมือโน้นมาใช้ได้ได้หมดทุกฝังเราก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญไงนี่พูดมาในเรื่องความคิดนะว่า ความคิดเนี่ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยความคิดต่างๆเหล่านั้นจะ เ, เรือ ด, ด้านเลยก็ได้ว่ามันเป็นสัมมาสังกปะแล้วมันอาจจะมีแวบๆมาเป็นความคิดไปในทางการไปทางปริบารดเบียดเบียนอาจจะมีแต่เราไม่ได้เผลอตามไปไงไม่สนใจไปตามมันก็ไม่มาครอบงาจิตใจเร า, า จ, จะแวบๆมันไม่ถือว่า เราถูกมิจฉาสังกปะขรำกำลังหลองเราก็มีสัมมาสังกปะอยู่นั่นแหละความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกปะทิฏฐิของคนที่ฉันจะมานึกถึงธรรมโมเนี่ยฉันจะมาตั้งสติฉันจะมาฝึกทำสมาธิเนี่ยทิฏฐินี้ก็ไปตรงแล้วไปตรงแล้วก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิไงเพราะฉะนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาสังกปะก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมมาอาชีวะ เรามีสีไงแล้วก็ในขณะที่กําลังนึกถึงธัมโมนเนี่ยก็เป็นความเพียรเป็นสติแล้วองค์ประกอบอันประเสริฐเจ็ดอย่างเกิดขึ้นทันทีแล้วเลยนะเดี๋ยวนี้นะจิตคนธรรมโมฟังนะในตลอดสิบกว่านาทีที่ผ่านมานี่นะมีองค์ประกอบอันประเสริฐเจ็ดอย่างอยู่แล้วเลยนะแล้วเลยเดี๋ยวนี้เลยแล้วที่ถ้าจิต ของเราแวดล้อมด้วยองค์ประกอบอันปรเสริจอย่างแล้วมันเริ่มระ ง, งับลงอย่างอาจจะยังไม่ระ ง, งับทต็ที่อาจจะมีความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเผ ล, อ, เลอไปในทางการบ้างช่วงที่เผลอไปมันก็ยังไม่ระ ง, งับใช่ปะแต่ช่วงที่ไม่เผลอมันก็มีปะเราทำสมาธิกันมาตลอดสิบคนนาทีเนี่ยมีสัก30บวินาทีปะ หรือบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งนาทีบางคนอาจจะได้5นาทีที่ว่าไม่ได้คิดไปในทางกามไม่ได้คิดไปในทางพยาบาทไม่ได้คิดไปในทางเบียดเบียนแต่มีนะักความคิดอย่างอื่นนะ่ะก็ความคิดอย่างอื่นที่มันไม่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนนะเขาเรียกว่าเป็นวิโตวิจารณ์มีวิโตวิจารไงมีวิโตวิจารณแล้วธรรมดาสิ่งเราเนี้เป็นองค์ประกอบของความสงบระดับที่หนึ่ง เนงค์ประกอบของความที่จิตเราจะระ ง, งับลงระดับที่หนึ่งที่ยังมีความคิดนึกอยู่นะยังมีความคิดนึกอยู่แต่ไม่ใช่การใบยาบายเบียดเบียนคิดแล้วไม่เบลอสตินึกถึงธรรมโออยู่ได้เราห้มันมีความสุขใจเย็นใจสบายใจมีปีติสุขอยู่ในภายในนั่นคือจิตเราระงับลงแล้วอย่าไปเข้าใจว่าฉันมีความคิดนึกเป็นวิกวิจการคิดเรื่องดีๆก็ตามแล้วนะคือฟุ้งซ่าน no ไม่ใช่เราเปรียบเทียบส่วนต่างดูกรดาอย่างคนที่เขาเป็นโจรหรือเป็นคนที่คิดว่าจะโกงคนอื่นหรือคนที่คิดว่าจะคิดแต่เรื่องไม่ดีอาฆาตเบียดเบียนเนี่ยเวลาจิตเขาคิดเรื่องแบบนั้นจ้ละล่ะมันก็จะมีแต่ความขูโ่โกรธมีแต่อกุศลเป็นพลังงานที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเปรียบเทียบส่วนต่างว่าเออบางที่เราคิดเรื่อง ลูกคิดเรื่องสามีคิดเรื่องงานคิดเรื่องผู้ครองคิดเรื่องที่นั่นที่นี่เนี่ยทำไมไม่ได้เป็นการเบียดเบียนมาเด็เป็นความคิดภายในทางกามหาความสุขทางตาทางหูมั น, ม, นมันเป็นความคิดที่ก็ธรรมดานะเป็นวิถีวิชาธรรมดานะไม่ได้ไปคิดอกุศนงไงล่ะใช่ป่าล่ะมันก็ไม่เป็นมิจฉาสังฆาไงระ ง, งับแล้วนั่นนะ่ะระ ง, งับจากอะไรระ ง, งับจากบาปและอกุณธรรมทั้งหลาย จิตของเราที่ระ ง, งับจากบาปและอกุศลและธรรมทั้งหลายถึงแม้ว่าจะมีความคิดอยู่อย่างอื่นที่ไม่ใช่บาปและไม่ใช่อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันดีแล้วมันระ ง, งับแล้วเป็นความระ ง, งับลงแบบระดับที่หนึ่งไงให้มันมีความสุขใจสบายใจอยู่ตรงนี้แหละมันดีทั้งฟังมันดีความระ ง, งับลงระดับที่1เนี่ยเขาก็เรียกว่าชาหนึ่งไง เป็นการที่เราเอาจิตเรามาจดจอ่อเพ่งเอาไว้ในที่นี้อยู่กับคำว่าธมโมธโมธรรโมต้องไว้ในใจพอเราเรามาจดจอ่อเพ่งไว้องค์ประกอบเอย่างแวดล้อมทันทีใช่ไหมเราเรียกสติมาเนี่ยพวเหมือนดีดนิ้วเลยขึ้นว่าองค์ประกอบอีก6อย่างอื่นรวมเป็น7จ็ดอย่างมันมาทันทีแล้วมาทันทีแล้วความคิดอื่นๆ ที่เป็นไปในทางกรรารปฏิบัติเบียดเบียนหายไปหรือเบาบางลงหรืออ่อนกำลังลงในขณะที่มันก็อาจจะยังมีความคิดอื่นที่ไม่ใช่กรรารปฏิบัติเบียดเบียนมีอยูย่จิตนั่นนะเป็นสมาธิแล้วจำไวฝังที่เป็นสมาธิแล้ ว, ว, ลวให้มีความอิเมอบใจให้มีความสบายใจซะไม่ต้องบังคับจิตใจว่าต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้ไม่ต้องมากังวลใจ เรื่องโน้นเรื่องนั้นความกังวลใจมันก็ขวางไว้ไม่ให้เกิดปีติสุขความกังวลใจนั่นก็เป็นนิวรณ์เราไม่ต้องกังวลใจแต่ให้สบายใจทำใจให้สบายสบายทำกายให้สบายสบายคือรีแลกซ์ทั้งกายและทั้งจิตพอเริ่มรีแลกซ์ลงเริ่มผ่อนคลายลงไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับจิต ไม่ต้องบังคับกายแต่ปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอย่างธรรมชาติธรรมดาผ่อนกลายแล้วความคิดต่างๆมีวิธีสุขนัน้นเกิดมีความอิม่มเอิบใจความสบายใ จ, ยใจเกิดขึ้นได้จากการที่เรานึกถึงธรรมโมจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นองค์ประกอบอันประเสริฐแปลกอย่าง ไล่ขึ้นไปจากล่าสุดเลยนี่คือสัมมาสมาธิก่อนหน้านี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะประวัติความคิดเราอยู่ในทางปกติก่อนหน้านี้ขึ้นไปอีกเอาเราก็มีสติมีความเพียรสีนี่มันมีอยู่แล้วทิทีิเราตรงเล้วเราจะมาทำสมาธินี่องค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างอยู่ที่นี่เลยนะทังนะอยู่ที่นี่แล้วเลย จิตที่ว่าล้อมด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสมาธิเริ่มจากการที่เรามีสติสตินี้ก็พัฒนาขึ้นไปอีกทั้งบุฟังเพราะเวลาที่เราใส่ใจติดตรึกคิดนึกอยู่กับเรื่องอะไรเนี่ยนะจิตเราจะน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางนั้นจิตเราน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังมีกำลังขึ้นมาไง สติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่มันจะเปลี่ยนสถานะจิตใจของเราให้มีความละเอียดลงละเอียดลงยังไงเจนเปนรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาสัตว์หชนิดนี่มาผูกไว้กับเสาใช่ไหมละ่ะเสาเนี่เป็นเสาที่มีความมั่นคงมากเลยละ่ะสัตว์หชนิดก็มีลิงมีงูมีจระเข้มีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านแล้วก็นก เอาเชือกผูกมันเอาปลายด้านหนึ่งมโโาผูกไว้กับเสาสัตว์เหล่านี้มีที่เที่ยวที่หากินแตกต่างกันมันก็พยายามจะดึงกลับไปที่หากินของมันเองใช่ไหมละ่ะแต่โดยเสาที่มันมีความมั่นคงนี่กำลังของสัตว์แต่ละชนิดแต่ละตัวดึงไปดิดึงไป ي, ดิปมันไปไม่ได้เนี่ยกาลังมันก็ค่อยลดลงลดลงลดลงใช่ไหมเช่นเดียวกันสติที่เราตั้งไว้เนี่ย ตรับนานเท่าไหร่ที่เราพยายามตั้งสติไว้ไมโดนนึกถึงธรรมโมธโมยู่นี่ธรรมโมไม่ใช่สตินะธรรมโมเนี่ยเป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดแบบหนึ่งการมานึกถึงความคิดนี้ต่างหากที่เรียกว่าเป็นสติความรันทึกได้คือสตินั่นคือเสาที่เจ้าเราจดจ่ออยู่กับธรมโมมากขึ้นมากขึ้นสติยิ่งมีพลังมีพลังสติมีพลั ง, ล ง, ลงใช้เวลา ต่อเนื่องต่อเนื่องไปนี่ยชัดหชนิดที่มันพยายามดึงไปนั้นเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกเลี้ยงกายและใจของเราสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังลงความระ ง, งับลงจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนตรงนี้คือประเด็ น, นจากที่ชายัวมันมีความคิดนึกนั่นน่นอนใช่ไหมเป็นทางกุศลก็ตามอะให้ความคิดนึกวิตกวิจารเนี่ยมันจะระ ง, งับลงลงไปี จากที่เจ้าความคิดในทางอากุศลระ ง, งับลงไปแล้วเหลือแต่วิโต ว, วิจารณ์่นคืลักษณะของฌานหนึ่ ง, ง, งต่อมาอีกเจ้าความคิดนึกต่างๆนั้นระ ง, งับลงไปเหลือน้อยๆไม่มากหลืออาจจะแค่1 ห, หรือ2ความคิดเหลือแค่1 ห, หรือ2ความคิดนี่นี่เริ่มเข้าสู่ความระ ง, งับสงบระดับที่2คือฌาน2สติแนกะ็ ต, ตั้งไว้ตลอดเนี่ สติเรามีกำลังตั้งไว้ต่อเนื่องอยู่ตลอดตลอดเนี่ความรังงับลงมันก็มากขึ้นมากขึ้นสัดหกชนิดคือตาหูจมกูกร่ากายและใจอื่นที่มันจะมาดึงไปเนี่ยสัดนี่ในที่นี้จริงๆแล้วหมายถึงเสียงนะเสียงหรือภาพหรือความคิดที่จะมาดึงตามช่องทางตาหูเนี่ยในเสียงภาพนี่คือสัดไงช่องทางนี่คือ ถ้าเป็นนกกับฟ้าถ้าเป็นจระเข้ก็น้ำถ้าเป็นงูก็จอมปลวกถ้าเป็นลิงก็ป่าช่องทางคือป่าต่างๆเหล่านั้นจอบสัตว์นั้นคือตาหูคืออิจฉน้าภายนอกมันจะวิ่งไปหาเราทำให้มันอ่อนกำลังโดยตั้งสติไว้นี่แหละฝึกไปทำไปฝึกไปทำไปเรียเวลาเพิ่มขึ้น ความสงบก็ลึกซึ่งลงลึกซึ้งลงจนบางทีก็คิดอยู่เรื่องเดียวในที่นี้เราก็คิดถึงกันว่าธรรมโอธรรมโมอย่างเดียวเป็นซะส่วนมากถ้ามีคาว่าธรรมโมเป็นซาส่วนมากมีความคิดอื่นๆที่เป็นทางกุศลซาส่วนน้อยอื่นคือความสงบลงระดับที่สองละ่ะความสงบลงมันยังไม่ได้มีแค่เท่านี้นะมันยังมีต่อไปกฟันถ้า เราสามารถทำให้ที่เราคิดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมันละเอียดลงไปอีกเนี่ยนะมันจะเหลืออุเบกขาที่ว่าก็วางเฉยละเลยความคิดนึกอะไรต่างๆมาวางเฉยได้สบายๆชิวๆอยู่ความรู้สึกอะไรมาความคิดนันจริงๆมันเบาบางลงไปมากแล้วละ่ะแต่ที่เน้นๆลงมาต่อไปอีกมันจะเหลือแต่เพียงความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ความคิดความคิดเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็น ภาพเป็นเสียงอยู่ในใจนะอยู่ในใจเราคือแบบบางทีเราคิดนึกถึงเหตุการณ์คนนั้นคนนี้เราเขาจะเห็นภา พ, พคิดเป็นภาพคิดเป็นเสียงนั่นแหละให้ความคิดเป็นภาพคิดเป็นเสียงเนี่ยมันระงับลงไปแล้วหรือขั้นที่สองละมันระงับลงไปอีกเนี่ยความคิดเป็นภาพเป็นเสียงเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วล่ะเราก็จะเหือแต่อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียงซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียงบางคนก็อาจจะรู้สึก เป็นสุขบ้างรู้สึกหงุดหงิดบ้างรู้สึกง่วงนอนบ้างรู้สึกสบายบ้างรู้สึกดีใจบ้างคือความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยมันมาด้วยกันกับความคิดเหมือนกับว่ามันเชื่อมต่อกันมายกตัวอย่างเช่นว่าเธอทำบฟังคิดถึงเรื่องงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยงานปาร์ตี้ตัวความคิดเนี่ยก็จะมีทั้งคนทั้งเหตุการณ์ทั้งของทั้งสิ่งนั่นสิ่งนี้นี่ก็เราเห็นเป็นภาพ แล้วเรคนนั้นก็คุยกับคนนี้อย่างนี้นี่คือเป็นบทสนทนาใช่ไหมคิดเป็นภาพคิดเป็นเสียงมันก็จะมีอารมณ์ที่มาด้วยเช่นอารมณ์เป็นสุขอารมณ์กังวลอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจที่มาพร้อม ก, กันกับความคิดนึกที่เป็นภาพเป็นเสียงเหล่านั้นเหล่านั้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเห็นชัดๆเลยเวลาเราไปดูหนังดูภาพยนตร์เราดูหนังดูภาพยนตร์ที่เขาบันทึกมาใส่ฟิล์มไว้ดูอะไรผ่านทาง YouTube อย่างเงี้ย เราดูเรื่องนี้หัวคนนี้ก็ทําอย่างนี้โอ้โหแล้วก็ไปพูดบทละคร น, นั่นกับคนนี้คือไอ้บทพูดเนี่ยก็คือเสียงใช่ไหมตัวดาราที่เขาแสดงกันอยู่นั้นก็คือภาพใช่เปล่าแล้วเราก็ดูที่เขาเล่นไปมันก็มีอารมณ์เกิดขึ้นด้วยอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์บางทีเบือ่อหนังเรื่องนี้ดูไม่สนุกเลยก็มีอารมณ์ที่ติดมากันกันกบเสียงภาพหมายถึงความคิดนั้น นี้ตั้งแต่ระดับแรกแล้วที่ว่าให้เจ้าความคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอกุศลเนี่ยเราให้ระ ง, งับไปละด้วยสติละไม่เผลอเปลินไปตามสิ่งนั้นก็เป็นความสงบประดับที่หนึ่งนัง่นมีวิโกวิชาอยู่ยังมีความคิดนึกอย่างอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ความพยาบายไปเบียนพอสติเรามีกําลังมากขึ้นให้เจ้าความคิดนึกก็ระ ง, งับลงระ ง, งับลงเพระสิติมีกําลังมากขึ้นความลึกล้าลึกซึง้งมันยิ่งดื่มดําดิ่งลงไป ที่จะเหลือคิดนึกมากมายไม่มีละมีแค่อย่างสองอย่างไม่มากอาจจะคิดออเรื่องพระพุทธเจ้าบ้างออเรื่องธรรมะบ้างใครอีกควรบทแหงท่งธรรมหรือบางคนก็สวดมนต์บ้างอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นกันที่สองไงกันที่สองแนี้พอสติเราลึกซึงขึ้นไปอีกบ้างละเออไอความคิดนึกเนี่ยมันแทบจะจางไปหมดละหรือแต่อารมณ์ที่มันมาด้วยกับความคิดเนี่ยบางทีมันยังอยู่ไอลักษณะที่ ม, มันจางๆไปเนี่ยนะ ความคิดหนึ่งชงจางไปแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะหนิงเฉยอยู่ได้ไม่ไปตามความคิดและความคิดนี่ยหายไปแล้วใช่ปะหรือแต่อารมณ์บ้างเนี่ลักษณะนี้ทรมฝังคืออุเบกขาหมายถึงความวั่งเฉยกับเรื่องราวความคิดนึกต่างๆนั้นได้อุเบกขาก็จะเกิดขึ้นมีอุเบกขาเกิดขึ้นมันก็มีแบบความสุขที่พ่วงมา ก, กันกับอุเบกขานั้นน่ออยู่ด้วย าอารมณ์อะไรที่มันมากับความคิดที่เป็นกุศลนี่นะคือวิโตปิชาเนี่ยอารมณ์นั้นนั้นเนี่ยมันก็เป็นปีติเป็นสุขไงเป็นปีติเป็นสุขแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะตามไปในอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่แล้วล่ะมันก็เป็นอุเบกขาไงแต่เป็นอุเบกขาที่ยังมีสุขเจืออยู่พราะวิโตปิชาเป็นกุศลมีความสุขมีความสบายใจอยู่ในภายในอารมณ์ติดมาด้วยนั้นก็มันก็ยังเจือสุขอยู่ แต่ไม่เคยจะไปตามความคิดอะไรมากแล้วก็มีอุเบกขาก็จึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขนี่คือลึกซึ้งลงไปในขันธ์ที่สาเหล่าสติเราตั้งไว้นะไม่เปล่าไม่เปลินใช่ปะจ ด, ดจ่อไว้จ ด, ดจ่อไว้นี่ความระ ง, งับลงมันก็ลึกซึ้งไปอีกตัวฝังเหลือแต่อุเบกขาล้ลวนๆแม้สุขในอุเบกขาเนี่ยก็ไม่มีทต่ไงทําไมถึงไม่มีได้เพราะว่าเวลาที่จิตเรามันสงบลงระ ง, งับลงเนี่ยนะ ให้ความคิดอะไรมันไม่มีละความคิดนึกอะไรไม่มีอารมณ์ต่างๆที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่แบบความสบายๆยอยู่ข้างในเนี่ยเรามาสังเกตไว้อยู่กับจุดนี้เนี่ยจิตของเราที่มันจะน้อมไปตามความสบายๆมันก็จะผ่อนลงน้อยลงเบาลงที่ว่าจะน้อมไปตามความสบายสบา ย, บา ย, บายน้อยลงเบาลงแล้วความสบายๆเนี่ยมันก็หายไประงับไปไงสุขก็เระงับไปเหลือแต่อะไร อุเบกขาลวนอุเบกขานี่ไม่ใช่ว่าคิดนึกปรุงแต่งเอาแบบบังคับให้มันเกิดนะเออฉันคิดว่าฉันมีอุเบกขาแล้วอุเบกขาก็เกิดขึ้นทันทีโอ้ผมวางอุเบกขาได้แล้วโอ้ฉันวางอุเบกขาได้แล้วแต่แบบทําไมยังด่ากันอยู่เงี้ยนะเออยังพูดเน็บกันอยู่เงี้ยโอ้พอพูดเนบพูดด่ากันแล้วโอ้ไม่ไม่รู้สึกอะไรโอ้แต่มันจะไม่รู้สึกอะไรแต่ไม่รู้สึกอะไรทําไมจะพูดกันไปอย่างนั้น แต่คนที่เขาจะไม่รู้สึกอะไรจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดเรื่องแบบไม่ดีนั้นเลยนะให้สบายใจกันไปเลยอูเบคาจะเกิดไม่ได้เกิดจากที่ว่าปากเราพูดหรือที่เราคิดนะมันต้องไม่คิดนะอูเบคาจริงๆเน่ยคือไม่คิดนะไม่คิดนี่ไม่ใช่ว่ายังจะพูดอยู่นะมันก็ต้องไม่พูดแล้วถ้าไม่คิดแล้วจะพูดได้ไงใช่ไหะก็ต้องคิดมาก่อนแล้วมันถึงจะพูดเราก็ทําให้คิดแล้วจะพูดหออ บางคนไม่พูดอาจจะคิดอย่างได้ดยซ้ําแต่ถ้าไม่คิดแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดมันก็ไม่คิดจะไม่คิดได้ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะคิดว่าฉันจะไม่คิดนําก็ไม่คิดได้โอ้ยมันต้องให้ระงับต้องตั้งสติเอาไว้มันถึงจะไม่คิดได้จริงๆไม่คิดแล้วอารมณ์มันไม่ตามไปอารมณ์ไม่ตามไปอารมณ์ไม่เกิดมันก็ระงับลงปุเบคาที่มีนั้นมันก็ยังมีสุกเจื้อ ระงับลงไปอีกหรืออุเบกขาลุลน์เนี่ยทุกฝั่งเหมันจึงเป็นขั้นที่สขึ้นมาที่ว่าให้จิกรนี่มีอุเบกขาลุลน์ไม่มีสุขเจือปีติสุขระงับไปเหลือแต่อุเบกขาลุลน์เวลาเราตั้งสติขึ้นนี่มันจะเป็นได้อย่างนี้ยังมีคําว่าทำโมทำโมอยู่ไหมมันระงับไปตั้งแต่ในระดับของความคิดช่วงที่สองมาช่วงที่สานั่นแล้ว หรือแต่อารมณ์ที่ยังมีสุขเจือบ้างอยู่จากการที่เรามานึกถึงคำว่าธรรมโมธรรมโมมิเบคาล้วนฟังไปเข้าใจความแต่ความคิดเนี่ไม่ได้เกิดที่ในช่องทางใจของเราที่เข้ามาในช่องทางใจเราเราเข้าใจได้ว่าเป็นเสียงเข้าใจได้ว่าคนนี้เขาพูดคำนี้ ความเข้าใจตรงนี้มันเกิดเป็นสัญญาขึ้นในจิตใจของเราซึ่งได้รับการกระตุ้นมาจากเสียงที่เป็นภาษาก็มากระทบจิตใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นการปรุงแต่งขึ้นจากจิตของเราเองไงจิต เ, เราเนี่ยสามารถปรุงแต่งเป็นความคิดนึกปรุงแต่งสัญญาอย่างหนึ่งเอาสมมติพราพุทธเจ้าพูดคดําใดคำหนึ่งเข้าไปเนี่ยสมบูฟังรั่วอนิพสัยไทยนี่นะเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าอ้อมันคือสตินะธรรมะเป็นอย่างงี้นะ เรามฝัง ก, ก็ปรุงแต่งจากภาษานี้ต่อไปเราก็ปรุงแต่งสติขึ้นมาเราก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโอ้ความคิดนี้เราก็เชื่อมต่อไปความคิดนั้นสัญญาใหม่ก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งสัญญาเก่าให้สาเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาใหม่การปรุงแต่งนั้นรืองาสังขารเนียสัญญาใหม่ก็เกิดขึ้นใช่ปะเกิดขึ้นแล้วนั่นคือที่เราปรุง Brooke ขึ้นมาใหม่ แต่สัญญาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรุงของเราอย่างเช่นตะูฟังฟังเสียงกรรพชา้านี้มันไม่ได้เป็นที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแต่มันเป็นสิ่งที่เราฟังเข้ามาฟังแล้วเราก็เกิดความเข้าใจเป็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นสัญญานี้ไม่ได้เป็นการปรุงแต่งของเราถ้าตะบูฟังเข้าสมาธิดีๆนะบทนี้ตะบูฟังจะเข้าใจได้สามารถย้ได้ว่าความคิดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของเราหรือไม่หรือความคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่เรามีภาษาภายนอกมากระทบหรือความคิดนี้เกิดจากอะไรไม่รู้บาดีมารมาดนใจคำว่ามาดนใจเนี่ยไม่ใช่ว่ามารจะมาสิงร่างเราแล้วก็ บ, บังคับอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะมันก็เอาความคิดบางอย่างนะมาใส่ในหัวเราซึ่งไม่ใช่ความคิดของเราเหรอกแต่เป็นความคิดของมัน มืนพูดถั้งเราได้ยินใกล้ๆหูบ้างให้เราคิดไว้นี่มันเสียงจากภายในเรากลีไว้นี่เป็นความคิดของเราเออเราก็ทําตามความคิดนั้นเลยโอ้ยเสร็จเลยตกเป็นเครื่องมือมันตกเป็นเครื่องมือมาแล้วก็เป็นลูกน้องมาล่ะก็ทําให้ดีไปใช่ไหตัดล้างผลาญความดีนะมาเนี่ยหรือบางทีเทวดามาโดนใจเอา้าเทวดาดนใจให้ทําความดีให้ให้ทานให้สละออกวันที่มันจะมีความคิดขึ้นหรอวะ เฮ้สลัเลยให้ทานเลยไม่น่าเราอย่าทาไม่ดีเลยมีโอกาสที่จะผิดศีลข้อสมีโอกาสที่จะผิดศีลข้อสีอ่ไม่ทําหรอกเราพูดความจริงดีกว่าเฮ้ยเรามีความคิดเนี้ยแทรกขึ้นมานี่เทวดาก็เกิดเลยบางทีเทวดาจะมาดนใจหรือเป็นความคิดนึกที่เราปรุงแต่งจากภายในเราเองด้วยอาราฆาอโทสะโมหะกิเลสลดลงมก็ปรุงแต่งสิ่งดีๆขึ้นมาได้ เคยพูดที่ปรุงแต่งจากภายในก็มีปรุงแต่งจากภายนอกก็มีการปรุงแต่งเหล่านี้เราจะแยกแยะได้ก็ต่อเมื่อการปรุงแต่งในจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มระงับลงระงับลงระงับลงมากๆแล้วหรืออุเบกขาล้วนเราจะสามารถแยกแยะเข้าใจได้นี่พูดกันมาตั้งนานนี่นะนยังอยู่ในส่วนของสมาธิอยู่เลยนะ ที่ว่าแจกแจงกันปานี้เนี่ยคือจากฌานหนึ่งฌานสฌานสามฌานสี่ขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกมันจะเรียกชื่อว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าจิตเราสงบแล้วมีอุเบกขาเป็นอารมณ์เดียวเหมืนดีแล้วเราฝึกทำเข้าเข้าออกอ อ, กอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆฝึกทำอยู่เรื่อยๆคราวหน้านี้จะมาฝึกทั้งเข้าทั้งออกทั้งเคลื่อนขึ้นเคลื่อ น, อ น, อนลงแต่วันนี้ขอเอา หัวข้อเรื่องที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นมาพูดคุยกันก่อนทร้งสองจิตใจของเราสงบอยู่อย่างนี้ดีแล้วเรามาใกล้ครวนในบทแห่งธรรมะในเรื่องที่พระพุทธเจ้าไดนอธิบายไว้อยู่ในคัมภีร์ธรรมบทเป็นธรรมบทหนึ่งที่อธิบายถึงว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำ ไม่ตัวอะไรปรุงเนี่ยมันมีอยู่เดียวกันเดียวกนเขาที่เราเห็นเนกันอยู่ในี่ก่อนเน่ะคือสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูวอะไรปรุงเนี่ยเราเห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมว่ามันมีอยู่สิ่งที่เกิดเนี่ยนะเช่นสติอย่างเงี้ยสติอย่างเงี้ยจากเมื่อดะกี้ไม่มีเออมันก็เกิดขึ้นไงเออใช่จากที่ไม่มีมันก็มีจากที่ไม่เป็นมันก็เป็น อาศัยปัจจัยคือความเพียรอาศัยปัจจัยคือการยนตมิตรมันก็เกิดขึ้นได้สติเนี่ยปรุงแล้วบางทีมันก็มีอำนาจมีพลังเพิ่มขึ้นสติบางครั้งบางคราวเราความเพียรถดถอยพบเพื่อนชั่วสติก็กำลังลดลงถูกปรุงแต่งได้สติก็เป็นธรรมชาติที่เคยขึ้นได้เป็นแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่ง สติเนี่เป็นกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะที่เป็นสังคตะคือมีการปรุงแต่งแล้วไปในทางดีก็มีได้หรือในทางตรงข้ามดูฝั่งเยเรามาใคร่ขรุนธรรมะกันนะในทางตรงข้ามเช่นราคาย่างยี่เป็นตน้นราคะคือความกำนัดคือความยินดีคือความอยากคือความพอใจในการที่เราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งราคะจากที่ไม่มีมันก็มีได้เช่นเมืองดี เ, เห็นของสิ่งนี้อุ้ยอยากได้จังเลยเห็นภาพปืนนี้อุ้ยอยากได้จังเลยเห็นกระเป๋าใบนี้อุ้ยอยากซื้อจังเลยเห็นรถคันนี้อุ้ยอยากขับจังเลยก็บอไม่มีมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะคะมีสถานะมีความมีความเป็นของมันสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มันเกิดได้ก็ผัสสะนี่ไงมีภาษาเป็นเหตุเป็นเงืาา่อนไขปัจจัยภาษาอย่างนี้มาเราก็ถ้าคนพูดอย่างนี้มาอีก อันี่ก็ถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปอาจจะให้มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่มีโทษน้อยคลายชา้าเพราะว่าจะดับมันได้นี่ก็เอาสิ่งของที่หยาดนั้นมาใส่ให้มันคุณอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่เอออยากได้อยากได้พ อ, อได้เสร็จปุ๊บเอ้ยความอยากมันหายไปเออราคานี่มันระงับไปความหิวความกระหายมันหายไปปรุงแต่งได้เปลี่ยนแปลงได้ให้มากขึ้นก็ได้ให้รุลงก็ได้ราคาก็เป็นธรรมะที่ ปรุงแต่งแล้วจะไปนในทางไม่ดีเป็นอกุศลก็เป็นธรรมชาติที่เกิดที่มีที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้มีตอนนี้เราเห็นเห็นกันอยู่ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอากุศลประเด็นที่ท่านพูดกล่าวในที่นี้คือว่าแต่สิ่งที่มันไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรปรุงไม่ถูกอะไรทำเนี่มันมีอยู่ ยังไงนะเราให้ครวญดูดีๆทั้งหมดเวลาสิ่งใดมันจะเกิดมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยใช่ไหมล่ะใช่มันจะไม่มีเหตุปัจจัยมันจะเกิดได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีปัจจัยมันถึงจะเกิดได้ใช่ไหมล่ะมันต้องมีเหตุมันถึงจะปรุงมันได้ดูบ้างล่ะมันต้องมีอะไรมันถึงจะเป็นอะไรได้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะโอเคมีเหตุมีผลก็มีเหตุมีผลใช่ไหมล่ะเออ ตรนี้พอมันมีเหตุมีผลเนี่ยมันคือฝั่งที่มีเหตุผลเนี่ยมันก็มีฝั่งที่ว่ามันเหนือเหตุเหนือผลน่ะที่มันไม่มีเหตุแล้วมันจะมันจะเกิดได้ไงเออก็ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลดิใช่ไหมล่ะใช่ถ้าไม่มีอะไรปรุงมันก็จะปรุงอะไรขึ้นมาล่ะมันก็มีมีอะไรให้มันปรุงองก็ดูไปล่ะคือคนที่เขาจะโฟกัสมองแต่ฝั่งที่ว่า มีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลผลนี่ก็เป็นเหตุของผลอันต่อไปจะให้ผลอันต่อไปเกิดก็ต้องไปสร้างเหตุนี้มาก็ต้องเป็นให้เกิดผลนี้ก็ต้องเป็นเหตุของอนุ่นต่อมาอีกมันก็แบบเป็นเหตุเป็นผ ล, ลก็โฟกัสเนี่ยพวกนี้คือวนไปเรื่อยๆไงวนไปเรื่อยๆแต่ความที่ว่ามันจะเหนือเหตุเหนือผลหมายถึงก็ถ้ามันไม่มีเหตุมันจะไม่มีผลได้ไงอะสมมุติเนี่ยอะใช่มันก็ต้องมีก็ดิ คิดให้ดีๆในทาฝังนะด้วยจิตที่เป็นสมาธิของเราเองเนี่ยนะต้องใช้จิตที่เป็นสมาธินะเมื่ไตร่ตองใกล้โครวเนี่ยเราจะให้มันดับไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีเแตยวว่าถ้ามันเกิดมันปรุงมันมีมันมีอยู่เนี่ยแล้วเราจะให้มันดับความที่เกิดก็อย่าไปสร้างเหตุดิให้เหตุมันดับถ้าเหตุมันดับแล้วผลมันจะมีได้ไง ดูปะล่ะคือในความที่มันไม่เกิดเนี่ยมันก็ต้องมีความที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันก็ต้องมีอ่ะคือมันเวลาใช้คำเนี่ยว่ามีของไม่มีมันก็เลยมีขึ้นมาของสิ่งที่ไม่มีไงอย่าไปงงนะทุกวังเรื่องนี้เข้าใจไม่ยากด้วยจิตที่เป็นสมาธิความมีของสิ่งที่ไม่มีมันต้องมีความมีเนี่ยมันมีปะล่ะความไม่มีมันก็ต้องมีเหมือนกันอ่ะมันจึงต้องเป็นคู่อย่างทุกวัง ถ้ามันมีอะไรที่มันมีแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่มีม ก, มมมก็ต้องได้ไงก็คือดับได้คือบ ร, ริษัตทตอนเป็นบริษัทนี่ยหวังต้องก็เชื่ออย่างนี้นะความเชื่ อ, อนี้ก็คือศรัทธาใช่ไหมละ่ะมั่นใจหน้าว่ามันมันต้องน่าจะมีนะเพราะว่าคิดเอาด้วยเหตุผลเนี่ยคิดเอาด้วยเหตุผลมันน่าจะมีเอ๊ะเราจะไปยังไงตรงนน้นน่ยจะทํายังไงถึงจะถึงได้เพริษัทตอนเนี้ยแม้แต่สติที่เรากําลังทํากันปฏิบัติอยู่เนี่ย มันก็ยังถูอะไรปรุงก็ยังถูอะไรทำํำก็ยังมีปัจจัยปรุงแต่งใช่ป่ะล่ะด้วยความเชื่อเพียงลาพังอย่างเดียวดูฟังมันไม่ได้สามารถที่จะทําให้เราเข้าถึงความไม่เกิดไม่เป็นไม่ถวอะไรทําไม่ถัวอะไรปรุงเนี่ยไม่ได้ลาพังความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณต้องลงมือทําดูโอทดลองทดลองโปรดิจเกิดทดลองมั่นใจเรานะ่ยว่าด้วยบารมีที่สั่งสมมาเนี่ยมันน่าจะมีนิพพานนะ่ สแสวงหาสันติวรรบสแสวงหาความสุขความระงับชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าหาดูในประสาทราชวังหาใต้พรมคิดว่าใต้พรมจะมีอะไรซ่อนเอาไว้ใครที่ชอบสุกอะไรใต้พรมมงคลรู้ไปเปิดดูเนี่ยโปแตกนะจ๋าเอ๋นะใต้พรมไม่มีไม่ต้องไปดูในตู้ละ่ะมีไหมไม่มีในหีบสมบัตินะมีไหม ก็ยงปรุงแต่งยังมียังเป็นยังเกิดอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีเอางั้นลองออกบทดูไปหาตามริมน้ําไปหากับอาจารย์อราดาบทังกระบอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เออมาค้นหาอยู่ในใจค้นหาในใจอันนี้ก็ยังปรุงนี่ก็ยังแต่งอันนี้ก็ยังมีมันมีที่ต่อไปอีกมันยังเป็นเงื่อนไขอีกยังมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอีกก็ยังไม่ใช่เอางั้นงนี้ลองทําทุกกกิริยาดูอ่ะ เขบอกว่าถ้าถ้าให้มันเจ็บๆนะ่ะทรมานตนเองมากๆเนี่ยมันจะเกิดสภาวะวาวาวาวาวาเป็อนอยี้เออมันจะพ้นูุกได้ทรมานจนอีกนิดเดียวแนละ้วหวังจะตายแล้วนี่เอ๊ะมันก็ยังไม่ใช่ไนงะความเพียรระดับนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆใครที่จะทําถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่เจอเลยเนี่ยคิดว่านี่ไม่ใช่หนทางละคือตรงสองข้าง เหมืนอนนึกถึงโมเมนต์นี่แหละความังว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันไม่มีนะมันต้องมาคู่กันนะทางในนอที่จะไปสวนด่างกันพ้นโลกนี้ได้จึงได้เกิดความรู้อันเล่นไปตามความระลึกความรู้อันเล่นไปตามความระลึกได้เกิดขึ้นว่าโอ้ก็ตอนที่เราเคยทำสมาธิได้ตอนเป็นเด็กนะอายุเจดปดขวบ นั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่นแหะจิตสงบระ ง, งับลงระ ง, งับลงเฮ้ยไอ้ทางที่มันระ ง, งับลงระ ง, งับลงเรื่อยๆเนี่ยมันต้องระ ง, งับลงระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนไม่เหลืออะไรนี่อ่านี่แหละคือหนทางความรู้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะของพระองค์ว่านี่แหละแน่แล้วหนทางใงการตรวสรูเพระอะไร เพราะมันเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการระงับลงระงับลงการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการระงับลงระงับลงมันก็เกิดน้อยลงมันก็ปรุงแต่งลดลงมันก็เป็นปัจจัยเงื่อนไขให้เกิดความมีความเป็นลดลงลดลงไหนลองทำไปดูสิว่าถ้ามันลดลงลดลงแล้วมันจะเหลืออะไรลองดูเลยไม่ต้องรอเทสเดี๋ยวนั้นทาเดี๋ยวนั้น ก็ไล่ระเดีงเหมือนอย่างที่เราทำนี่แหละท่านผฟังตั้งสติขึ้นความคิดนึกไงไม่เอานึกอยู่แต่ธัมโม น, นี่คือมีสติขึ้นแล้วใช่ปะสตินั้นคือความระลึกได้จิตระงับลงนั่นเป็นสมาธิหาศสศีลเป็นพื้นฐานปรารบความเพียรขึ้น อนี่มันองค์ประกอบมันประเสริฐแปดอย่างนี่นะนี่ภายหลังเนี่ยถึงมาบรรยันญญเรื่องนี้ขึ้นให้มีบทเพยียนชนะที่มีความรัดกุมรอบข้อบชัดเจนเราจึงได้มีคำสอนมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะในเรื่องของมรรคแปดนีเพราะว่าท่านรมท่านปฏิบัติทดลองมาว่าเออการปรุงแต่งตามกระบวนการ8ดอย่างเนี่ยจะทำให้มีความระงับลงระงับลง แน่นอนว่าองค์ประกอมประเสริฐแปอย่างนี้นเป็นการปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งนี่มันลดลงเรารักษาศีลให้เจ้าความอาฆาตความแค้นมันก็ลดลงจะจะปรุงแต่งไปตามทางนั้นเราตั้งสติไว้ให้เจ้านิวรณ์อะไรต่างๆมันก็เบาบางลงเรจะปรุงแต่งไปทางนั้นการปรุงแต่งท้งนั้นมันลดลงไงเป็นเบาบางลงมันก็เลยไปตามทางกุศลธรรมโดยอัตโนมัติ ไปตามทางนี้แต่บางวันอาจจะมองว่ามันก็เหมือนกันนะเนื่อทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันมันเหมือนกันที่ไหนล่ะเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตามทางกุศลธรรมเราไม่ได้เอากุศลธรรมเป็นที่หมายนะมนนางคนอาจจะคิดว่าเฮ้เนี่ยเพื่อนั่งสมาธิให้เกิดสุขเนี่เราไม่ได้เอาสุขเป็นที่หมายนะนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ให้เอาจิตสงบนะทุกฝังนะชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสชั้นสจะมีอะไรแม่พูดงี้ไม่ถูก มีซิมันเป็นกองดีอยู่บ้าล่ะแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายอันสูงสุดของการที่เราทำสมาธิเราไม่ได้ทำสมาธิเพื่อเอาจิตสงบให้เกิดสุขเวทนาโนอนน้นเป็นทางผ่านเฉยๆเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลแธรรมทำความเพียรใส่ใจพุ่มเทเนี่ยเราไม่ได้จะเอากุศลเราไม่ได้จะเอาบุญนะเราจะเอาสิ่งที่เหนือบุญนะเราละบาปเนี่ย บางคนคิดว่าจะเอาบุญให้มันได้มากๆานะเราจะเอาสิ่งที่มันเหนือกว่าบุญได้ขึ้นไปอีกเหนือบุญเหนือบาปไงจะเหนือบุญเหนือบาปได้มันต้องมาทางบุญจะเหนือกุศลเหนืออกุศลได้คุณต้องมาตามทางกุศลทางนี้มันเฉพาะเลยทางนี้มันมีนองค์ประกอบอรนเบลเสด8อย่างเลยที่ว่าถ้าเราทรําระงับลงระงรับลงระงรับลงนี่มันจะเหลืออะไรถ้าท ด, ดลองเหลืออะไรไหม ไหนเข้าสมาธิดูตามกันดอนแปดอย่างนี้โดยศรัทธาใช่ไหมล่ะนะมันน่าจะมีนะเอาลงมือทําดูลงมือทำเลยลงมือทําตามอะไรก็ทําตามองค์ประกอบประเสริจแปดอย่างในสติมันก็ตั้งขึ้นนี่สติตั้งขึ้นสมาธิก็เกิดเนี่ยมันก็จะค่อยมีปัญญาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆนี่มันระงับลงจริงเเนี่ยไอ้ที่มันเกิดมันก็ไม่เกิดไอ้ที่มันมีมันเป็นมันก็ไม่มีไม่เป็นแล้วมันดับละถึงไม่มีปัจจัยปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นก็ลดลงระงับลงเอ้ยมัน มันใช่อว้ยเอองันทำต่อไปอีกดูซิมันจะระงบลงเนี่ยมันจะถึงไหนไอ้ตรงที่ว่ามันใช่ไว้เนี่ยมันยิ่งมีความมั่นใจไงที่ฝัง emas? ยิ่งมีความมั่นใจว่าเออเรามาถูกทางอยู่เหมือนกันอะไนี่นะเอาลองนัง้นลองทําต่อดูไอที่มันระ ง, งับลงมันจะไปยังไงความเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้นอีกจอจอนิ่งลงอีกสติสมาธิตามมาเฮ้ยมันระงับลงจริงๆด้วยนะเนี่ยไอ้ที่ว่าจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่มีแล้วความคิดนั้นดับไปละปัญญาก็เกิดความมั่นใจยิ่งมาขึ้น อินรี่ห้าก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นอินรี่ห้าคือศรัทธาวิริยะเสติสมาธิปัญญาวนไปวนไปนมันมีแน่สิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุง เ, เพราะเส้นทางมันมีนะถนนที่มันจะไปถึงเชียงใหม่มันมีเราไปถึงเชียงใหม่ได้ ถนนที่ไปถึงสุงไหงโกลกมันมีเราไปถึงสุงไหงโกลกได้หลวงป่ฟังอยู่ต่างจังหวัดจะมากรุงเทพมานครที่วัดบบอนถ้ามันมีถนนผ่านเนี่มันไปได้เราจีงไม่เคยไปอ่ะแต่ไม่เคยไปแล้วมันมีถนน ม, ถนมีทางไปไหมถ้ามันมีทางไปเราไปได้พระบุตรานี่ก็ไม่เคยไปตามทางนี้เหมือนกันแต่คิดว่ามันน่าจะมีทางเนะ่ยลองงมๆคลําๆไปดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินไปตรงนี้มันถูกไหม เอ้ยจึงค้นพบทางใหม่ไงระวังไปเจอเมืองเก่าที่เป็นเมืองที่โอ้โหมีทั้งคูน้ํามีทั้งบ่อหน้ามีทั้งกําแพงมีทั้งอาคารโชคดีมากๆเฮงมากๆไปตามทางเก่า ล, ลุยไปเนี่ยไปเจอเมืองเก่าเจอแล้ไอนี่เป็นเมืองที่ดีนะนี่ลนะว้าวพัฒนาปรับปรุงเลย ปรับปรุงให้เป็นนครขึ้นมาใหม่ปรับปรุงให้ทางนี่มันสวยงามดีตัดหญ้าตัดไรแผ่ า, างอะไรออกนี้ไปดูปัมมากับอุปัมไมยว่าคําสอนนี่แหละไปเจอสิ่งที่เรียกว่านิพพานเพราะปฏิบัติไปตามทางนี้เนี่ยให้อินทรีย์มีความแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นจนะิตระ ง, งับลงระ ง, งับลงเข้าถึงสภาวะที่ไม่เกิด ไม่มีไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงแล้วนี่นเป็นเมืองเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้เจอแล้วได้ตามทางนี้มาแล้วเหล่าพระอรหันต์ตสมมาสมบูรุษเจ้าทั้งหลายมาตามทางนี้ทางที่เดินมาเนี่ยมีองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างสมัยนั้นเดานักแดกลุยๆเอาทำๆเอาถูกบ้างผิดบ้างไปตามสุดโต่งสองสายบนบ้างตันบ้างคราวนี้มาบัญญัติแต่งตั้ง เปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรเียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานคนถามอะไรตอบได้ตอบได้แก้ไขปัญหา น, นี้นั้นด้วยบทเพียนชนะที่มีความรัดกลุ่มรอบขอบชัดเจนสอนเอาไว้เนี่ทางเหล่าเนี้ให้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามองค์ประกอบปบอร์สริน8ดอย่างนี้เราเหนือสุขเราเหนือทุกได้เดี๋ยวตามกระบวนการที่คุณปฏิบัตินี่นะ มาตามทางบุญมาตามทางสุขด้วยนะแต่นั่นคือแบบว่ามันผลพลอยได้นะ่ะคือมันทางมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราอย่าไปติดตามทางติดตามถนนสิ่งที่มันจะให้เราติดมันคือพวกตันหามีการปรุงแต่งไปตามเหตุปใช้เงื่อนขอย่างอื่นแต่เราไม่ไปตามทางนั้นเราโฟกัสมาอยู่เรื่องของสติสมาธิกาปรปราบความเพียรองค์ประกอบแปดอย่างนี้ห่อลงกัะเหลือสีสมาีิปัญญา ไปตามทางไปตามทางนี่มันจะเป็นสันติวรบท์คือจะมีความระ ง, งับลงระ ง, งับลงไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าคิดนึกคาดคะเนเอาได้ไม่ใช่ว่าคิดเราจฉันวาจะด่าฉันก็ด่าแล้วไม่ใช่แต่เป็นความที่ระ ง, งับลงระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนไม่เหลือทุลีนะ่ะไม่เหลือความโศกไม่เหลืออะไรเลยนั่นจึงเป็นความสงบระ ง, งับที่ปร ะ, น, ตต น, ประนีตนะวาปณีต นิปุนาสังกะตะจึงได้บอกสอนไว้พาตรัสสูแล้วมานั่งที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักหลังของเด็กเลี้ยงแพะที่เราจะเริ่มตรงไหนกันดีเริ่มตรงสตินี่แหละสตินั้นจําเป็นหนทางก็เรื่องไปทางเดียวเป็นทางอันนี้ก็เ ร, เริ่มต้นขึ้นในตรงนี้เหมือนที่เราเริ่มต้นกันมาทุ่หวังทําไปปฏิบัติไปซ้าๆหยำๆวนไปนี่แหละ ว่าวนไปเนี่ยคืออินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นทุกราบทุกรา บ, บทุกการหายใจทุกเรียบททุกความคิดให้มีสติอยู่ตลอดสมาธิก็ลึกซึ้งลงปัญญา ก, ก็เพิ่มขึ้นความมั่นใจยิ่งมีมาความเบียดเนี่ยิ่งแก่กล้าอินทรีย์ห้าแก่กล้าวนไปวนไปถึงแน่นอนนราฟงนิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เหล่าที่ท่านรับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตะวิวเว ในรายการธรรมรักอรุณทุกวันังการเรามาฝึกปฏิบัติรมสมาธิกันนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากัมประมหาไยบุ์อาภิปุโนโญคำสอนเหลนี้ท้กฝั่งเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านส่งผ่านต่อมาให้สาวกรุ่นก่อนๆจนมาถึงพวกเรา ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้ที่สามารถรับเอาปัญญานั้นความรู้นั้นที่ท่านได้ส่งทอดผ่านมาให้เข้าสู่จิตใจของเราได้ให้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาได้กัปปเจ้าพระมหาใบบูนอาพิปุนโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร